อ่าเจริญพรวันนี้ก็มีมีนาบวชสองนางเนาะตอนนี้เป็นนาคยังไม่ได้เป็นพระเป็นเป็นโยมแล้วก็เป็นนาคเนาะแล้วก็เป็นพระเนาะทําไมต้องเป็นนาคนาะเพราะว่าสมัยพุทธกาลนี่ก็มีอพญานาคเนี่ยปลอมบวชเป็นพระใช่ไหมคราวนี้วันหนึ่งก็นอนหลับไปแล้วก็ กลายเป็นนาคไปนะพระมาเห็นก็อันนี้เป็นนาคความบวชนะก็ก็เลยไปแจ้งกับพระผู้ใหญ่เนาะต่อมาพระพุทธเจ้าเลยทรงบัญญัติว่าห้ามบวชให้ให้นาคเนะนาะพราะนาคปลอมเมันเป็นมนุษย์ได้นะก็เลยมันมีคํากล่าวถามว่ามนุษย์โตซิเป็นมนุษย์หรือใชทั้งรั้งนี้คนบวชเป็นมนุษย์นะแต่ว่าจะเป็นพญานาคปลอมก็ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพญานาคเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมจนอพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมคือว่าเหมือนกับยังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้มีอ่จิตใจอในระดับที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้แต่พญานาคเนี่ยก็ตั้งใจมาบวชนะเห็นไหมเพราะฉนั้นอ่ะกนเลยตั้งชื่อให้เป็นนาคนาะมันก็ได้ได้บวชทนนางนาค เพราะว่าน่าอยากจะ บ, บัดทำให้พ้นทุกข์แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะระ บ, บัดทำจนหนึ่งพ้นทุกข์ได้เนาะคราวนี้อทําไมจริงเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามนุษย์นี่แหละโชคดีน ะ, ะมนุษย์เป็นภพภูมิที่มีโอกาสบัดทำเพื่อพระนิทานเพื่อความพ้นทุกข์ได้น ะ, ะพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ในภพภูมิไหนก็ในภพภูมิความเป็นมนุษย์นี่แหละนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีกว่าเป็นเทวดานะ แต่เทวดาเนี่ยยังสู้มนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมพอมนุษย์เนี่ยมีโอกาสเห็นความทุกข์ใช่ไหมในชีวิตเรานะมนุษย์กับเทวดาไม่เหมือนกันนะเทวดามีความสุขก็เลยไม่เห็นความทุกข์แต่เป็มนุษย์เนี่ยก็เล่าวัยเราเห็นความทุกข์ใช่ไหมเห็นความทุกข์ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ต่างๆนี่แหละปัญหาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นความทุกทั้งนั้นเลยใช่ไหมครั้ง น, นี้เมื่มีความทุกข์แล้วเราก็รู้โอตรงไหน เ, นเป็นเป็นอย่างไรนะจะได้หาทางออกจากความทุกข์ใช่ไหมอ่าดิ้นรนหน่อยจากความทุกข์เพราเราเห็นความทุกข์นี่แหละเรามนุษย์ก็มีอ่าระดับภูมิที่สามารถประทําเพื่อความพ้นทุกข์ได้เป็นพระย เ, เจ้าได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่มาบวชก็เลยว่าอ่าสามารถาที่ประทับเพื่อความพ้นทุกข์ได้ไมาตรงนี้เป็น เป็นประโยชน์นะอเพราะว่าการบวชในะจริงๆแล้วมันไม่ได้บวชทีท่ีกายอย่างเดียวนะบางคนบอกว่าเราเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงหรือเป็นโยมไม่มีโอกาสบวชจะทําได้ไหมอันนี้ทําได้นะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าร่างกายร่างกายก็เป็นเรื่องร่างกายนะจะใส่เป็นพระแต่ถ้าใจเป็นโย ม, มันก็สู้โยมที่ใจเป็นพระไม่ได้ใช่ไหมลองนึกดูนะอะ ผู้ที่แต่ใจเป็นผ้าเนี่ยแต่ใจเป็นโยมเนี่ยก็มีใช่ไหมหรือผู้ที่เป็นโยมแต่ใจเป็นผ้าก็มีใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นการบวชเขาเรียกว่าถ้าเราไม่โอกาสบวชกายก็บวชใจใช่ไหมบวชใจนี่สำคัญกว่าเนาะ <c oughs> การบวชใจเนี่ยมันมันจะต้องอ่ามีที่เรามีกิเลสใช่ไหต้องรู้เท่าทันเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสเราก็ใจเราก็ไม่พัฒนาขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วกิเลสก็เกิดที่ไหนล่ะ ออืก็เกิดในใจเรานั่นแหละใช่ไหมตาเห็นรูปก็เกิดกิเลในใจเราเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเกิดความรักความชังหูได้ยินเสียงอกิเลสไม่ได้เกิดที่หูนะกิเลสก็เกิดที่ใจเรานั่นแหละใจก็มีความรักความชังความเกลียดความโกรธในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจในเป็นหลักนะถ้าเราสามารถที่จะ สังเกตจิตใจเราได้นะตอนนี้จิตใจเราเป็นอย่างไรนะมีรมอย่างไรนะมีความพอใจไม่พอใจต่างๆเรารู้ทันไหมนะรมต่างๆความโลภความโกรธความหลงเรารู้ทนันไหมนะนมตรงนี้มาเป็นหนทางของการบวชนะมันอยู่ตรงนี้ว่าเราการบวชมัต้องบวชใจใช่ไหมถ้าเรารู้เท่าทานันเราก็เป็นพระใช่ไหมไม่ว่าเป็นโยมนี่แหละถ้าเรารู้เท่าทันใจก็เป็นพระได้ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นพระรู้ไม่เท่าทันใจก็เป็นโยมนั่นแหละใช่ไหมมันไม่ได้ต่างกันต่างกันตรงที่ใจเท่านั้นเองว่าใจเราเป็นอะไรมากกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นมั น, ม, น, ม, นมันมีการเจริญสตินะเจริญสติ ก, ก็คือรู้เท่าทันจิตใจเราเนี่ยแหละเรามันมันเป็นพระที่ต้องเห็นรู้เท่าทันจิตใจแล้วนะน่าเห็นไหมเป็นพระเป็นเกิดจากการที่เรามีส ต, ติต่างหากมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยใช่ไหม เพราะทั้งในสมัยพุทธกาลนี่โยมเนี่ยบรรลุธรรมกันเยอะแยะเลยเมื่อี้ฟังทำอยู่พุทเจ้าไม่นานบรรลุธรรมกันเยอะแยะเพราะว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายนั่นแหะเกิดสติขึ้นมานะรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันกิเลสในใจนรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆนันนี้เป็นหนทางอันแรกน ะ, ะพอเรารู้หนทางของอารมณ์ต่างๆที่เกิดในใจเราแล้วเราก็คลายอาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าอารมณ์ต่างๆเป็นตัวเป็นตน ความรักความชังความเกลียดความโปวดเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันก็คลายจากลบต่างๆได้เนาะอ่าอันนี้ตัวเรามีอยู่แล้วก็คลายจากตัวเรานะอ่าตัวเราเรามีความยึดมั่นถือมั่นนี่นี่ตัวเรานะอ่าเมื่อมีตัวเรามันก็มีลูกของเราสามีของเราอ่าแล้วก็มีท็อปล้มบัติของเราต่างๆเยอะแยะตามมานะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้ใจเราเนี่ย มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะมันไม่ได้ว่าเราเราไปยึดมั่นแต่ใจมันยึดเองในชะ่ไหมมันต้องรู้เท่าทันใจนะรู้ตอนที่ไปยึดมั่นไม่รู้นั้นอืตอนนี้นะอบางทีอยู่ตัวเราอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านโน่นะไปยึดนูน่นตอนนี้คนโน้นจะเป็นยังไงคนนี้เป็นไงเป็นห่วงเขาไปรักเขาไปคิดถึงเขาเนี่ยมันต้องรู้เท่าทานนะันใช่ไหมเนี่ยเราไปไปยึดมั่นแล้วในชะ่ไหมเพราะนั้นมันกังลงดูความยึดมั่นต่างๆที่เกิดขึ้ในในใจเราให้ทนนะันเนาะ ตัเราหยุดนี้ก็ร่างอยู่กับปัจจุบันนะฮะอยู่กับกายอยู่กับ ใ, ใจเราสังเกตกายสังเกตใจความยึดมั่นต่างๆก็น้อยลงคลายลงนะควาะมันไม่ใช่ตัวในตัของเราอยู่แล้วเราไปยึดตัวเองนะ <c oughs> ถ้าเป็นสวงเราเราก็ต้องบังคับได้ย้ายแก่ย้ายเจ็ยมย้ายตายเนาะเนี่ยเป็นหนทางที่ว่าเราต้องรูเถอะทันาา <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราบวชนะเราต้องบวชใจด้วยน ะ, ะบวชใจเป็นพรนะเนี่ยต้องบวชใจจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์นะัถ้าบวชกายเราก็ไม่สมบูรณ์นะ มาแต่โยมก็เรบทใจนะเนี่ยเราก็มีการเป็นพระได้เนาะอันเนี่ยมันสําคัญที่ใจเราให้รู้เท่าทันกิเลสในใจเราให้ไวนะเราก็ปล่อยวางให้ให้เร็วให้ไวจากความยึดมั่นต่างๆเนาะเต็มตัวรับพรตรงนี้มีใครจะประเคนว่าใครเป็นเจ้าภาพออกมานทีนึง เ, เจ้าภาพพ อ, อมันเลยนะ